ทีนี้วิเคราะห์เวทนาโดยนิยต์ที่5คือฐานะฐานะฐานะนะครับความว่ากายและจิตเป็นฐานของเวทนาฐานะคือฐานเนี่ยนะครับสมดังที่ตรัสไว้ว่าในสมัยนั้นความสุขทางกายความยินดีการเสเวยสุขอันเกิดแต่กายยะสัมผัสอันใดนะครับคือคำนั้นกายนั่นแหละเป็นเป็นฐานของเวทนานะครับและว่าในสมัยนั้นความสุขทางใจความยินดี และการเสวยสุขอันเกิดแต่สัมผัสทางใจอันใดนะครับเพราะฉะนั้นใจนั่นแหละครับเป็นฐานคือเป็นที่เกิดอะนะเป็นฐานของเวทนาเั้นกายและใจนั่นแหละครับเป็นฐานะเป็นฐานของเวทนาทีนี้ถ้าปวตินะครับปวติคือความเป็นไปอะนะความเป็นไปของเวทนาว่าปวติขณะและการนับความเป็นไปชื่อว่าปวติกาลอธิบายว่า ความที่สุขเวทนาเป็นสุขและความที่ทุกขเวทนาเป็นทุกขท่านกําหนดแล้วด้วยปวัตติขณะคือเน้นขณะที่เป็นไปนะคือถ้ามันเป็นไปแบบเนี้ยเออถ้าเป็นไปแบบนี้เรียกว่าสุขนะถ้าเป็นไปแบบนี้เรียกว่าว่าทุกขนะครับสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุเวทนาที่เป็นสุขแลเป็นทิติคือเป็นสุขในขณะทิตินะครับแต่เป็นวิปริณามทุกข์คือเมื่อมันเปลี่ยนไป เช่นนะครับสุขเวทนาถ้าได้รับอารมณ์ที่เช่มชื่นอยู่ก็สุขเหลือเกินนะครับเช่นสุขเพราะมีบุตรมีทรัพย์มีอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านั้นแปรไปแหละทุกก็เกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุขในขณะที่เป็นไปแต่ทุกขเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรไปส่วนทุกขเวทนาแลเป็นทิติขณะที่เป็นทุกนะครับแต่เป็นวิปริณามะสุขคือสุขเมื่อเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างนะเช่นคนที่ป่วยอยู่นะักขณะที่ไอ้โร ค, โรคภัยมันกําลังเป็นไปเนี่ยโอ้ยทุกจริงๆถ้าไอ้โรคเหล่านี้แปรไปล่ะสุขแล้วนะครับนั่นแหละอธิบายว่าความมีอยู่แห่งสุขเวทนาเป็นความสุขความไม่มีแห่งสุขเวทนาเป็นทุกขนะครับถ้าสุขเวทนาเกิดเรื่อยๆโอ้สุขจริงๆถ้าความสุขเหล่านั้นหมดไปเนี่ยทุกก็เกิดแล้วนะครับ ส่วนความมีอยู่แห่งทุกขเวทนานั่นแหละเป็นทุกข์ถ้ามันหมดเมื่อไหร่ก็สุขซะแล้วนะครับการนับความเป็นไปแห่งอทุกขมสุ ข, ขเวทนาคือการนับการไม่นับได้แก่การรู้และการไม่รู้ซึ่งความเป็นไปแห่งอทุกขมสุ ข, ขเวทนาเป็นเครื่องกาหนดความเป็นอทุกขมสุ ข, ขเวทนานะครับก็แลแม้คํานี้ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนวิสาขาผู้มีอายุเวทนาที่ไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุข เป็นญาณสุขแต่เป็นอญาณทุกขนะครับคืออุเบขาเวทนาเนี่ยถ้าถ้าวิเคราะห์นะถ้ามีปัญญารอบรู้อุเบขาเวทนาชื่อว่าเป็นสุขถ้าไม่รอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่าเป็นทุกขนะครับทุกเพราะไม่รู้สุขเพราะรู้อุเบขาเวทนาเนี่ยนะสรุปก็คือทุกขเวทนานั้นสุขเพราะมันตั้งอยู่เป็นทุกเพราะมันหายไปสุขเวทนาสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกเพราะ สุขเวทนานี่หายไปส่วนอุเบขาเวทนาเนี่ยเป็นสุขเพราะรู้เป็นทุกข์เพราะไม่รู้นะครับอันนี้ เ, เรียกว่าปวติปวัติกาลความเป็นไปนะครับต่อไปนะวิเคราะห์เวทนานายะที่7นะครับอินเดียยังความว่าจริงอยู่เวทนา3 ม, มีสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกไว้โดยอินรี่หประการ นะครับสุขขินสีทุกขินสีโสมมานาสินสีนโทมานาสินสีอุเบกขินสีเพราะอัฏฐาว่ามันเป็นอธิบดีนะครับไออินทรีย์คือเป็นใหญ่ก็คืออธิบดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายภาษาบาลีนะอินทรีย์คืออะไรคืออธิบดีอธิบดีคืออะไรคืออินทรีนั่นแหละอธิบายว่าความยินดีทางกายพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เรียกว่าสุขขินสีนะครับคือความเป็นสุขทางกายเนี่ยนะครับ ความไม่ยินดีตราเรียกว่าทุกขินสีส่วนความยินดีทางใจตรัสเรียกว่าโสมนัสสินสีความไม่ยินดีตราเรียกว่าโทมนัสสินสีแม้ทั้งสองอย่างไม่ตรัสว่าความยินดีและความไม่ยินดีเป็นอุเบกขินสีนะครับถามว่าในข้อนี้มีอะไรเป็นเหตุเล่าต่อว่าเพราะไม่มีความต่างกันว่าอุทคมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ตรัสจาแนกว้เหมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนา ทางกายและทางใจที่ตรัสจำแนกว้เป็นสุขขินสีโสมนัสินสีทุกขินสีโทมนัสินรีดังนี้เพราะว่าสุขเวทนามีการอนุเคราะห์เป็นสภาวะทุกขเวทนามีการแผดเผาเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่ง ทำการอนุเคราะห์กายอีกอย่างหนึ่งทําการแผดเผาใจฉันใดอทุคขมสุขเวทนาไม่เหมือนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ได้ตรัสจําแนกไว้เพราะไม่มีความแตกต่างกันอุเบกขาก็อุเบกขาเท่านั้นแหะอันนี้ก็คือวิเคราะห์โดยความเป็นอินทรีย์นะครับเป็นอินทรีย์ถ้าสุกกายเรียกว่าสุขขินทรีย์ถ้าทุกกายเรียกว่าทุกขขินทรีย์ถ้าสุขใจเรียกว่าโสมนัสทุกใจเรียกว่าโทมนัสธรรมดาทั่วไปเรียกอุเบกขา เอายางอุเบกขาในฌานนี่กับอุเบกขาตามปกตินี่แตกต่างกันไหมครับ อ, อ๋อต่างกันนะครับเพราะว่าคุณภาพเช่นอุเบกขาเวทนาเนี่ยธรรมดาเรานะเป็นกุศลก็มีอากุศลก็มีอัพยากตะก็มีแต่ถ้าเป็นฌานของพระของผู้ที่ได้ฌานนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าได้ฌานนี่แสดงว่าเป็นไปกับกุศลอย่างเดียวฌานที่เป็นปฐมฌานเป็นต้นไปนะครับเป็นกุศลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันมหาศาล อานี้นะถ้าคนที่มีความสุขธรรมดาธรรมดาสุขในกามเนี่ยสีหน้าจะอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่ได้สุขในฌานเนี่ยนะสีหน้าจะอย่างหนึ่งนะครับต่างกันมหาศาลในในคนคนเดียวกันนะเช่นคนคนเดียวกันนี้ถ้าได้สุขในกามสีหน้าจะเป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าคนเดียวกันนี้ถ้าได้สุขในฌานเนี่ยนะครับเท่ากับชิงชังในสุขในกามเหล่านี้เลยนะครับถ้าเป็นพระราชานี่ท่านจะเห็นชัดเจนพระราชาเนี่ยถ้ากามมาสุขนี่ก็เหนือกว่าคนอื่นๆแล้วนะ แต่ถ้าได้สุกในฌานเมื่อไหร่นะท่านจะรังเกียจสุกในกรรมันั้นหมดเลยนะถ้าท่านได้สุกในฌานเมื่อไหร่นะท่านจะแทบจะทิ้งบ้านทิ้งเมืองได้เลยนะครับเพราะมันสุกยิ่งกว่าหางกันมหาศาลนะครับทีนี้โดยมาจําแนกนะครับทุวิธาที่ตานะครับโดย2ประการเป็นต้นนะเวทนาเนี่ยแบ่งเป็น1 2 3 4งสี่ห้าหก็ได้นะครับเวทนาเนี่ยจะนับหนึ่งก็ได้นะว่าสวย อ, อารมณ์ก็มีอย่างเดียวพูดอย่างเดียวก็ได้เวทนานะพูดให้เป็น1ก็ได้เรียวกว่าสวย อ, อารมณ์ ที่แยกเป็น2ก็ได้เช่นเวทนาทางกายและทางใจจะแยกเป็น3ก็ได้เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนาหรือเวทนาจะแยกเป็น4ก็ได้ตามกําเนิด4นะว่ามันเกิดกับในกําเนิดไหนนะครับหรือจะแยกเป็น5โดยอินทรีย์5ก็ได้นะครับเช่นสุขหินสี่เป็นต้นหรือจะแจกตามคติ5ก็ได้นะครับเวทนาที่เป็นไปในนิรยัคติเป็นต้นนะหรือจําแนกเป็น6โดยทวาร6ก็ได้นะครับ เช่นเป็นไปในทางจักขูทวานนี่เป็นต้นอย่างหนึ่งนะครับหรือจําแนกโดยอารมณ์6ก็ได้นะครับเช่นมีรูปเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งมีเสียงเป็นอารมณ์เป็นต้นก็อย่างหนึ่งก็เป็นหมวด6หรือเวทนาจะแบ่งเป็น7ก็ได้เช่นมันเกิดร่วมกับวิญญาณทิฏฐิ7อย่างนะครับเวทนาจะ8ก็ได้เรียกว่ามีโลกธรรมแปเป็นปัจจัยนะครับโดยจําแนกเป็นสุขเป็นต้นของแต่ละอย่างหรือจะแบ่งออกเป็น9ก็ได้นะครับเช่นเวทนาสุข เป็นอดีตก็มีเป็นอนาคตก็มีเป็นปัจจุบันก็มีใช่ไหมทุกเป็นอดีตก็มีอนาคตก็มีปัจจุบันก็มีอุเบชาก็เหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็น9หรือเวทนาจะแยกเป็น18ก็ได้นะครับคือ9อย่างนั่นแหละครับมาแยกเป็นภายในกับภายนอกก็เป็น18โดยแยกอารมณ์มีรูปเป็นต้นนะครับออกเป็นอย่างละ3ามอ่ะสินี่ขอเอาใหม่นะคำว่า18แเนี่ยนะครับแยกโดยอารมณ์6นะครับ ถามว่าแยกโดยอารมณ์6คือเช่นมีรูปเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาใช่ไหมมีเสียงเป็นอารมณ์ก็เป็นสุขทุกข์และอุเบกขามีกลิ่นเป็นอารมณ์ก็สุขทุกข์และอุเบกขาเพราะฉะนั้นอารมณ์6คูณเวทนา3เท่ากับ18นะครับอธิบายว่าในรูปารมณ์สุขบ้างทุ ก, ทก ข, ข์บ้างอทุกคมสุขบ้างเกิดขึ้นนะครับแม้ในอารมณ์มีสัธารมณ์เป็นต้นนอกนี้ก็เช่นนั้นเหมือนกัน นะเวทนา18นะครับขยายลักษณะนี้หรือว่าเวทนา18นะครับขยายโดยมโนโปวิจารเวทส8นะครับเวทนาก็มีนะครับก็มี18โดยอำนาจมโนปวิจารนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่านะตรัสไว้ในทา่าวิพังกสูตรว่านะที่ตรัสกับปุกุสาติกุลบุตรนะนะว่าบุคคลเห็นรูปด้วยจักูุแล้วย่อมเข้าไปพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ย่อมพิจารณารูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมานตะ์เข้าไปพิจารณารูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขานะครับก็เป็น3มใช่ไหมครับมโนปวิจารณ์นี่การตรึกถึงรูปนะการตรึกตรองถึงรูปเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาตรึกถึงเสียงเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์และอุเบกขาเพราะฉะนั้นตรึกอารมณ์6ก็ได้เวทนา18นะครับอีกประการหนึ่งจะแบ่งเวทนาเป็น36ก็ได้นะครับเช่นเคหสิตะ โสมนัตเวทนานะไอเวทนา18นั่นนะครับมาแบ่งเป็นอาศัยเรือน18เป็นอาศัยเนคขมมะอีก18ก็เลยกลายเป็น36นะครับนนะเช่นสุขเวทนาที่อาศัยเรือน6ที่อาศัยเนคขมมะหกนะครับทุกขเวทนาอาศัยเรือน6อาศัยเนคขมมะหกอุเบขาเวทนาอาศัยเรือน6อาศัยเนคขมมะ6ก็รวมเป็นนะครับสานะครับ อย่างละ12สอ่ะนะอย่างละ12 12 12สุขเวทนาก็12ทุ ก, ก็12ออุเบชาก็12นะครับหรือเวทนาเนี่ยจะมาแบ่งเป็นร้อยก็ได้คือเวทนาสากนี่แหละครับเป็นอดีต36อนาคต36แล้วก็ปัจจุบัน36เพราะฉะนั้นจะชอบแบบ1นึงก็ได้2 3 4 5 6 7ไหเจป90กอย่างงี้ก็ได้หมดนะครับชอบแบบย่อแบบพิสดารเนี่ยเทศได้หมดนะครับเรื่องเวทนาเหมือนกันะ ทีนี้มาขยายในคาถามะครับคาถาในสูตรนี้นะที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นผู้รู้ทั่วมีสติย่อมรู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนารู้ชัดซึ่งธรรมะเป็นที่ดับแห่งเวทนาและมักอันให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาภิกษุหายหิวแล้วดับรอบแล้วเพราะสิ้นไปแห่งเวทนาทั้งหลายนะครับก็ ค, คือแทงตลอดอริยสัจโดยนิยะแห่ง เวทนานั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนั้นส่วนอัตกาถาอธิบายว่าบทว่าสมาฮิโตความว่าเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยสมาธิโดยแยกประเภทเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบทว่าสมาหิโตนี้พระผู้มีพระภาคแสดงถึงการประกอบเนืองๆซึ่งสมถาภาวนาสัมปชานโนนะครับสัมปชานโนความวารู้ชัดโดยชอบด้วยสัมปัญญะ4ี่ประการ มีสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับดีนะสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นในฐานะเจ็ดกนะครับที่เคยกล่าวมาแล้วใช่ไหมครับแต่ท่านจะให้ในไว้คร่าวๆที่จริงสัมปชัญญะ4ในฐานะเจนั่นแหละครับบทว่าสัมปชานโนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงถึงการประกอบเนืองๆซึ่งวิปัสสนานะครับสมาหิโตสมถะสัมปชานโนวิปัสนาสโตนะครับความเป็นผู้ตั้งสติเนี่ยนะ ในบทว่าสโตนั้นธรรมะทั้งหลายย่อมบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยนยิยแห่งสมถะและวิปัสนาพระผู้มีพระภาคทรงแสดงความเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยวิปัสนานุโยกนั้นนะครับการประกอบวิปัสนาก็ต้องอาศัยสติเป็นต้นใช่ไหมครับสมถะและวิปัสนาจะเป็นไปได้เพราะมีสตินั่นแหละครับบทว่าเวทนาจะประชานาติความว่า พุทธาสาวกนะครับคือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อกำหนดรู้ด้วยปริญญาสามในส่วนเบื้องต้นโดยจําแนกตามความเป็นจริงว่าเวทนาเหล่านี้เวทนามีเท่านี้นะครับและโดยลักษณะเมียนิ จ, จลักษณะเป็นต้นเวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนารู้ชัดด้วยการแทงตลอดด้วยการกาหนดรู้ด้วยอริยมรรคนะครับ นะก็คือเอาเวทนามาทำปริญญาสามนะครับชั้นต้นก็วิเคราะห์สภาวะของเวทนาแต่ละเวทนาที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยของเวทนาแล้วก็คร่ครวญถึงเวทนาเหล่านั้นเช่นสุขก็ยังหนึง่งทุกข์ก็ยังหนึง่งอุเบกขาก็ยังหนึง่งนะครับสุขขณะที่สเสวยสุ ข, ขก็ไม่ได้สเสวยเวทนาอย่างอื่นเป็นต้นเลยนะครับก็มีแต่สุขล้นลวนๆแต่สุ ข, ขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง ทุกขมสุขแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงนะครับก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเมื่อนนทีคณนัขาสูตรนะครับที่พระองค์ตรัสกับทีคะขาปริพาชคหลานของภาษาลิบุตรและภาษาลิบุตรฟังสูตรนี้ก็บรรลุเป็นท่ารหันนะครับก็ทําปริญญาในเวทนาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละนะครับก็แทงตลอดในขณะอริยมรด์บวชว่าเวทนานจะสัำผวังได้แก่สมุทัยสัตว์นะครับ บทว่ายถาถเจตานิรโรชนติด้วยเหตุเพียงเท่านี้เวทนาย่อมดับไปในที่ใดในที่นั้นได้เป็นนิโรสัตยะขามีนางเชื่อมความว่ารู้อริยมรรคที่เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาด้วยด้วยบทว่าเวทนานังขยาความว่าเพราะดับโดยไม่ให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาทั้งหลายด้วยอริยมรรคที่แทงตลอดสัจจะทั้งสี่ดังนี้นะครับขอท่าแทงตลอดอริยาศาสตร์แล้วก็บรลุมรรคผลเลย บทว่านิจฉาโตปริณิพุโตความว่าหมดตันหาคือละตันหาได้แล้วเป็นผู้ปริณิพานแล้วด้วยกิเลสปริณิพานในชั้นแรกใช่ไหมถ้าเป็นพระหารก็เป็นกิเลสปริณิพานก่อน หลังจากนั้นก็ดับขันปรินิพานเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับต่อไปก็จะมีคนที่ละเลิ ก, เ, ลอกเออเคยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเคยมีพุทธสาวกทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเป็นต้นเท่านั้นนะท่านจะหาขันอย่างอื่นหาเวทนาที่อื่นของท่านไม่ได้แล้วว่าท่านตอนนี้นะไปสวยสุขสวยทุกข์อยู่ที่นั้นที่นี้ไม่มีแล้วนะครับหาไม่พบแล้วอนุญาตครับสติปัฏฐานสี่เนี่ย อ, อ่า คิดว่าเป็นการแสดงโดยนัยะแห่งเทศนาหรือเปล่าครเพราะว่าหรือโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าสติจะระลึกโดยฐานะไหนคือในกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับพระ อ, องค์แสดงตามจริตนะครับคือไม่ใช่ว่าแล้วแต่สติมันจะระลึกนะครับอเรื่องเรื่องนี้เนี่ย<ะ>ไม่ใช่สติจะระลึกเนียถ้าเอาอธิบายตามอัตถกาานะ าทารทิบายตามอัตโนมัติของบางคนก็แล้วแต่สติมันจะระลึกอะไรกับรู้อันนั้นไปฮะโดยหลักฐา น, นแต่โดยหลักฐานนั้นแสดงโดยจริตนะครับเช่นบุคคลผู้ตัณหาจริตนะครับถ้ายัางยังอ่อนก็เจริญกายานุปัสนาถ้าแก่กล้าก็เจริญเวทนานุปัสนาถ้าทิฏฐิจริตยังอ่อนก็เจริญจิตานุปัสนาถ้ายัางแก่ก็เจริญธรรมานุปัสนานะครับ นะแล้วแต่จริตนะคบแต่โดยพวกเราเนี่ยเราเราจะไม่รู้ว่าเราเอ๊ะมันจะจริตไหนกันแน่ถ้าของเราเนะเรียนให้หมดก่อนนะครับเรียนให้หมดก่อนนะครับถ้าสติปัฏฐานสูตรนะ่ะเอามาสาธยายดูนะครับในกายานุปัสนาเวทนาจิตตาธรรมานี่นะครับมันเข้ากับอะไรมากที่สุดนะครับเอางี้ก่อนนะครับแบ่งสองคร่าวๆนึงโดยอัธยาศัยนะเราชอบกามหรือว่าชอบลัทธิมากกว่านะครับ คือหมายเขาว่าดูแ ย, ยกแยะคร่าวๆนะถ้าเรายินดีในเรื่องกรรมมาคุณทั้งหลายโดยมากอันนี้เป็นลักษณะของราคะจริตนะครับถ้ายินดีในเรื่องความเที่ยงเรื่องอะไรทั้งหลายแหลเนี่ยนะคิดถึงพวกลัทธิทั้งหลายแหลเนี่ยเจ้าลัทธิทั้งหลายพวกนี้เป็นทิฏฐิจริตพวกทิฏฐิจริตจะไม่ค่อยยึดมั่นในกามจะไม่ค่อยสนใจกรรมเด็ดขาดนะครับไม่ค่อยสนใจกามเลยนะแต่พวกตันหาจริตเนี่ยมันติดในกามทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเท่าที่ผมสังเกตดูนะส่วนใหญ่ยุคนี้ก็น่าจะระตันหาจริญส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับศึกษาทั้งกายานุปัสสนากับเวทนาให้ชัดแต่ถ้ารอบรู้ไปจริงๆก็อย่างอื่นก็รู้ด้วยนะครับเช่นใช่ไหมถ้ารู้เวทนาแล้วจิตไม่รู้ได้ยังไงภาษะเป็นต้นไม่รู้ได้ยังไงก็รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่อะไรเด่นชัดที่สุดของเขานะครับพอพูดเวทนาแล้วมันชัดเจนเลยนะนะครับ อย่างเช่นเหมือนกับรู้จิตเจตสิกเนี่ยนะบางคนก็ชำนาญในจิตบางคนก็ชำนาญในเจตสิกถ้รู้จิตจริงก็ต้องรู้เจตสิกด้วยแต่บางคนรู้เจตสิกถ้าไม่รู้เจตสิกไม่รู้จิตได้ยังไงแต่บางคนเนี่ยชอบคําว่าจิตเป็นพิเศษบางคนก็ชอบคําว่าเจตสิกบางคนก็ชอบคําว่ารูปเป็นพิเศษนะครับก็แล้วแต่ความพิเศษนะนะที่จริงแล้วคําสอนของพระตถาคตอรหันตสามมาสามพุทธเจ้าก็ประกาศอริยสัจแต่ทําไมชอบไม่ชอบสูตรเดียวกันแหละก็ชอบประกาศโดยนัยแตกต่างกันนะครับ แม้แต่เรื่องเดียวกันก็ยังชอบคนและโวหารอีกนั่นแหละแล้วอาจารย์วังท่านที่สอนตามอย่างนี้ท่านท่านบอกว่าให้เจริญไปตามอากายานุปัสนาสติปฐานในหมวดที่ท่านเน้นสอนนั่นแหะคื อ, อียาปถะภะเนี่ยนะกำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยไม่ต้องไปรู้มันหรอก ถ้าหากว่าเราจเจริญไปแนวนี้เนี่ยจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยนามเนี่ยมันก็จะประกาศตัวของมันเองอย่างนี้เนี่ยคิดว่าพอเข้ากับหลักฐานอะไรได้ไหมคือถ้าใช้คําว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเป็นต้นเนี่ยนะครั บ, รบ ก, ก็ยากที่จะวิเคราะห์ตามนะครับถ้าให้ผมกล่าวผมจะไม่ไม่เอาหลักการแบบนี้มาตั้งนะครับผมจะตั้งตามบทและก็พยัญชนะในพระบาลีและอัตถกถาแล้วก็จะค่อยๆเรียบเรียงไปตามนั้นนะครับ ผมจะไม่ยืนอยู่บนจุดยืนที่เขาอธิบายอยู่แล้วนะครับผมจะเอาข้อความจากพระบาลีและ อ, าาอัตถกถาเป็นต้นหรืออัตที่อื่นๆคัมภี่อื่นๆขยายยังไงผมจะเดินตามแบบนั้นนะครับผมจะไม่เดินตามรูปแบบที่เขาวางเอาไว้ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิเคราะห์ในสำนวนของครูอาจารย์ยุคปัจจุบันนี้ผมก็ต้องออกตัวว่าไม่รู้จริงๆนะครับเพราะไม่เคยเข้าไปปฏิบัติในรูปแบบของเขาเลยแต่ถ้าจะอธิบายก็จะขอยืนอธิบายตาม าบาลีอัตกถาเท่านั้นนะครับแล้วก็พระสูตรอื่นๆที่อธิบายในเรื่องนี้เท่านั้นนะครับเพื่อถามาเนี่ยเพื่อจะเทียบเคียงดูนะครับว่าอเอมันจะพอส่งเคอะอะไรกันได้ไหมแต่โดยตามหลักฐานเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันควรจ ะ, ะศึกษาแล้วก็พยายาม เอ่อระลึกตามหรือพิจารณาตามมันทุกอย่างนั่นแหละอย่างนี้ผ ม, มว่าเอาตามหลักนี่นะครับนะตามมิมุตตาญตนะในชั้นต้นนะครับฟังสติปัญญานจนชำนาญ น, นะครับบัพพะหรือสูตรทั้งหลายที่เราอัธยาศัยศรัทธาเนี่ยนะให้ชำนาญเลยอย่างหนึ่งสองหมั่นสาธยายบัพพระนั่นแหละมากๆนะครับสมเอาสูตรนั้นถ้าแสดงใครได้ก็อธิบายตามนั้นแหะตามนะที่เรียนมานั่นแหละแล้วก็เอาสูตรนี่แหละมาตรึกใคร่ครวนอย่างนี้นะครับผมศรัทธาแบบนี้มากกว่านะครับ จะเหมือนกับเขาเจริญอันนี้ไหมอาการ32อ่ะครับคือฟังท่องทรงจําแล้วก็อมตรเอก็แนวเดียวกันนะครับเพราะว่าอาการ32ก็ตระกูลกายานุปัสสนานะครับอาการ32ก็อยู่ในประเภทกายานุปัสสนาโดยที่ถูกน่าจะเป็นอย่างนั้นหมดเนาะคือผมศรัทธาตามแนวพระไตรปิฎกอัตถะธรมมากกว่าคําสอนประยุกต์นะครับครับครับเพราะว่าคําสอนประยุกต์โดยทั่วๆไปนะครับสีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิหรือความเป็นพระหูสูตรไม่สนใจมากนัก นะครับเมื่อไม่สนใจมากนะักเรียนเรียนไปมาๆนะครับไตรสารณคมก็ดูจะห่างเช่นคําพูดถ้าพูดถึงปริยัติแล้วเขาจะนึกหมิ่นหมินนะครับเพราะผมถือว่าคนเหล่านี้ก็ตกจากสารนนะบางคนนะที่ที่หมิ่นถ้าปริยติธรรมผมถือว่าคนเหล่านั้นน่าจะตกจากทำมังสารานังขะฉามิในส่วนที่เรียกว่าปริยติธรรมนะครับก็จะเป็นอาจารย์สารานังขะฉามิไปนะครับระะนั้นผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่เชื่อเลยนะครับท่านนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจนะ้านี ถ้า น, นอกจากตามคมภีร์คือเขาจะดีจริงหรือไม่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นหลักฐานนะครับถ้าหากว่าเราไปเซาซีเขาจะกโกรธเอาอีกนะครับแต่พระไตรปิฎกยิ่งคน้นท่านไม่กโกรธเราเลยนะครับผมชอบใจตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ทั่วๆไปเราไปซักไปไซไปไล่ไปเลี้ยงท่านอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะแสดงอาการไม่พอใจเป็นต้นนะครับแต่นี้ของเรามันเป็นคนช่างวิจิกิจชาสงสัยไปหมดนะครับท่านก็มั่นใจที่สุดแล้วก็สบายใจด้วยนะครับก็เลยเอาตามคมภีร์ ส่วนผู้ใดที่จะศรัทธาอย่างไรก็อันนี้เป็นเรื่องของบุคคลไปนี่ก็เราก็จะขอกล่าวตามคัมภีร์นะครับถ้าจะปฏิบัติก็จะขอปฏิบัติตามนี้จะได้ผลมากผลน้อยก็อยู่ที่ศรัทธาเป็นต้นแต่ก็จะไม่ปฏิเสธว่าวิธีนี้ผิดนะครับผมยินดีว่าคําสอนนี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วนะครับเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตรัสแบบนี้นะครับพระรยสาวกของท่านก็ต้องปฏิบัติตามแนวนี้อยู่แล้ว ส่วนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจประยุกต์อย่างไรอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับไม่ถือโดยบทโดยพยัญชนะตามคําสอนเชื่อมั่นว่าแนวทางที่ตัวเองประยุกต์ขึ้นมาได้ผลนะครับผมก็ว่าเขาเชื่อมือตัวเองมากกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมเชื่อว่าวิธีการเพื่อความพ้นทุกข์นะไม่มีอะไรในกรร ม, มือของอาจารย์หมายความว่าไม่มีอะไรในกรรมมือของพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่มีนอกไม่มีในจริงๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าพระองค์นี้มีจิต มหากรุณาต่อสัตว์ที่สุดแล้วนะครับผมเลยก็ว่าของใครก็ของใครแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนจริงๆนะครับมันเราก็จะไปด้วยกรรมของเรานี่แหละแต่ยังไงก็ขอให้กรรมที่มีไตราสรารณาคมเป็นอารมณ์เถอะนะนะครับอย่างไงก็สุขติก็หวังได้นะครับสุขติปาติกังขาก็ยังดีแต่ถ้าเอาอย่างอื่นเป็นสราระผมก็ไม่แน่ใจนะครับโดยเฉพาะที่เรียกว่าครูอาจารย์ทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ก็ เคารพในฐานะหนึ่งผู้มีอุปการะคุณในขณะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จะไม่สําคัญหมายว่าท่านเหล่านั้นเป็นสารณะของเราเป็นาศาสดาของเราอะไรสักอย่างนะครับเขาก็คือกัลยาณมิตรเท่านั้นนะครับถ้าขณะที่เขาแนะนํนาไตรสารณคมหรือแนะนําพระธรรมคําสอนเราก็เรียกกัลยาณมิตรแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันก็เป็นปาปามิตรด้วยนะเช่นชวนเราเพ้อเจอก็ไม่ใช่กัลยาณมิตรในขณะนั้นๆเพราะฉะนั้นชั้ น, ต, นต้นก็ต้องแยกว่าอะไรคือพานและบัณฑิตนะครับ ถ้าลักษณะของพานเป็นยังไงบัณฑิตเป็นยังไงฉะนั้นคนยุคนี้พานกับบัณฑิตมันก็ใกล้กันนั่นแหละนะครับก็พานกับความเป็นพานกับความเป็นบัณฑิตใกล้กันขณะใดที่เป็นไปกับทุจิรกรรมก็เป็นพานไปขณะไหนที่เป็นไปกับสุจิรกรรมขณะนั้นก็เป็นบัณฑิตไปแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเป็นบัณฑิตตลอดการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอายังไงก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะครับฉนั้นครูอาจารย์ทั่วๆไปที่รู้จักก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านพ้นอบายหรือเปล่าก็ไม่ทราบ เราเองก็ไม่มีเครื่องวัดอะไรซากอย่างเลยนะครับเพราะยังไงก็ขอเอาตามโบราณนี่แหละครับปูย่ย่าตายายพานว่าผู้ทั้งสนณังข้าฉามินี่แหละมก็จะยืนเอาในหลักนี้แล้วก็ค้นคว้าตามนี้ไปนะครับนี่คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ